วันนี้เป็นวันพุทธที่11มีนาคมพุทธศักราช2569เป็นวันพระวันธรรมสวนะวันฟังธรรมเป็นวันธ ร, รมหน้าที่ทางธรรมเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติขึ้นมา เพื่อให้ชาวพุทธผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ปล่อยวางหน้าที่ทางโลกไว้หนึ่งวันคือหน้าที่การทามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพธพะชนิดต่างๆ เพื่อจะได้มีเวลาให้กับการมาทำหน้าที่ทางธรรมที่เป็นหน้าที่ที่สำคัญยิ่งกว่าหน้าที่ทางโลกเพราะว่าสิ่งที่ได้จากการทำหน้าที่ทางโลกเป็นของชั่วคราวพ อ, พอร่างกายนี้ตายไปสิ่งต่างๆที่หามาได้จากการทำหน้าที่ทางโลก เช่นลาบยศสรรเสริญความสุขต่างๆที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดผ้าชนิดต่างๆก็เป็นอันหมดสิ้นไปไม่สามารถเอาติดตัวไปได้แต่ผลที่ได้จากการทาหน้าที่ทางธรรมนี้เป็นสิ่งที่สามารถเอาไปกับใจได้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว เป็นผลที่ยั่งยืนถาวรที่จะสนับสนุนที่จะให้ความสุขกับดวงวิญญาณไปจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระนิพพานถ้าไม่ทำหน้าที่ทางธรรมเลยเวลาร่างกายตายไปใจจะไม่มีอะไรติดตัวไม่มีทรัพย์ภายในติดตัวไปเลย ทรัพย์ภายในทรัพย์ทางธรรมที่เอาไปได้แต่ถ้าไม่สร้างก็จะไม่มีอะไรติดตัวไปก็จะไปแบบขอทานแล้วก็จะต้องมาขอส่วนบุญจากญาติพี่น้องผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ช่วยทำบุญอุทิศส่สงบุญไปให้ นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาถ้าเราไม่ทําหน้าที่ทางธรรมกันแต่ถ้าเราสามารถทําหน้าที่ทางธรรมได้อย่างไม่บกพร่องทําอย่างต่อเนื่องทําอย่างสม่ําเสมอเราก็จะสามารถเอาทรัพย์ต่างๆคือทรัพย์ภายในนี้เอาไปได้จากการปฏิบัติทําหน้าที่ทางธรรมกัน ทรัพย์ภายในที่เราสามารถเอาไปได้นี้ก็มีหลายระดับด้วยกันระดับแรกก็คือมนุษยทรัพย์<ม>การเป็นมนุษย์ตายไปเราก็จะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ต่อไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องไปตกนรกไม่ต้องไปเป็นดวงวิญญาณที่อิวหวยเป็นเปรตเป็นอนสุลกายตายไปเราก็สามารถที่จะ ไปเกิดเป็นมนุษย์ต่อได้เลยถ้าเราสามารถรักษามนุษยทเซีย์ของเราไว้ได้แล้วสูงกว่ามนุษยทเซีย์ก็มีเทวทรับแล้วสูงกว่าเทวทรัพย์ก็มีพรหมทรัพย์แล้วสูงกว่าพรหมทรั์เป็นทรัพย์ที่สูงสุดก็คืออริยทรัพย์ทรัพย์ของพระอริยเจ้าทรัพย์ของพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลาย นี่เป็นทรัพย์ต่างๆที่เราสามารถที่จะสร้างขึ้นมาในปัจจุบันนี้และสามารถเอาติดตัวไปกับเราได้หลังจากที่ร่างกายของเรานี้ตายไปแล้วเราก็จะไปกับทรัพย์ต่างๆที่เราได้สร้างไว้ดังนั้นสิ่งที่พวกเราควรที่จะกระทำกันอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็คือมาทำหน้าที่ทางธรรมกัน มาศึกษามาปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่เราจะได้มี ร, รับภายในติดตัวขอบเราไปเช่นคำสอนข้อแรกที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเรากระทากันก็คือให้ละ ก, การกระทำบาปทั้งปวง ก, การกระทำบาปนี้เป็นเหตุที่จะทำให้เราสูญเสียความเป็นมนุษย์ไป ตอนนี้เรามีร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจของเราจะเป็นมนุษย์หรือไม่อยู่ที่ว่าเราทำบาปหรือไม่ถ้าเราทำบาปความเป็นมนุษย์ของเราก็จะค่อยๆหายไปตามตามกำลังของการกระทำบาปของเราถ้าเราไม่ทำบาปเลยเราสามารถละเว้นจากการกระทำบาปทั้งห้าข้อได้คือการไม่ฆ่าสัตว์ ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดใจกลามไม่พูดปนไม่ดื่มสุรายามเมาเราก็จะสามารถรักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้ได้ร่างกายเป็นมนุษย์ใจของเราก็เป็นมนุษย์ด้วยแต่ถ้าเราไม่สามารถรักษาศีลห้าได้เราทํำบาปอยู่นเนือนืองฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบ้างรักทรัพย์บ้าง พูดผิดในการบ้างพูดโกหกบ้างเืิมสุรายาเมาบ้าง<ม>ความเป็นมนุษย์ของเราก็าจะค่อยๆน้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อยๆจนอาจจะหมดไปเลยก็ได้ ม, มีร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจไม่ได้เป็นมนุษย์เสียแล้วใจเป็นสัตว์เลล า, านบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นนัูสุนทาตายบ้างเป็นสัตว์นรกบ้าง เช่นคนคนที่ไปติดคุกติดตารางนี้เป็นตัวอย่างร่างกายยังเป็นมนุษย์อยู่แต่ใจนี้ไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วเขาถึงไม่ให้อยู่ข้างนอกเขาต้องจับไปขังไว้ในกรงเหมือนกับสัตว์ดูร้ายถ้ามีสัตว์ดุร้ายหนีออกมาเอามาจากป่ามาเพ่นพ่านในบ้านในเมืองก็ต้องมีการคอยไปไล่จับเพื่อเอาไปกักขังไว้ในที่ปลอดภัย อัในใดมนุษย์ที่ไม่ใช่เป็นมนุษย์ก็คือมนุษย์ที่มีร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นสัตว์นรกนี่เขาก็จะต้องจับเอาไปขังไว้ในคุกในตารางเพื่อความปลอดภัยของของผู้ที่เป็นมนุษย์นั่นเองดังนั้นถ้าเราไม่อยากที่จะสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปถ้าเราตายไปแล้วไม่อยากจะไปเกิดในอบาย ไม่อยากจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่อยากไปเป็นเปรตไม่อยากเป็นอสุลกายหรือไม่อยากจะไปตกนรกเราก็ต้องรักษาศีลห้าให้ดีอย่าทำบาปเลยถ้าพราะว่าถ้าเราทำบาปด้วยความหลงเราก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าเราทำบาปด้วยความโลภเราก็จะไปเป็นเปรต ถ้าเราทำบาปด้วยความกลัวเราก็จะไปเป็นอสูรละกายถ้าเราทำบาปด้วยความอาคาตพยาบาทจองเวนจองตำเราก็จะไปตกนรกกันนี่เป็นที่ที่มาที่ไปของการกระทำบาปหรือไม่กระทำบาบหรือถ้าว่าถ้าว่าเรายังไม่สามารถรักษาศีลห้าได้เบริสุดตลอดเวลา เราก็ยังมีโอกาสที่จะป้องกันการไปเกิดในบาสนี้ได้อยู่ถ้าเรามาทำบุญทาทานทำความดีต่างๆที่จะเสริมสร้าง จ, จิตใจของเราสร้างทรัพย์ที่เรียกว่าเทวทรัพย์ให้กับเราการทำบุญทาทานนี้จะทำให้ใจเราเป็นเทวดากันเวลาตายไปบุญก็จะพาให้เราไปเกิดในสวรรค์ได้ แต่ถ้าเราทำบาปด้วยเมื่อเราทำบุญด้วยในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เวลาเราตายไปบัญชีบุญกับบัญชีบาปก็จะมามาลบล้างกันบัญชีไหนมีมีมากกว่ากันบัญชีนั้นก็จะเป็นผู้ดึงใจไปไปทางบัญชีนั้นเช่นถ้าบัญชีบาปมีมากกว่าบัญชีบุญบาปก็จะดึงให้ดวงวิญญาณไปเกิดในอบาย ไปเป็นเดลฉานไปเป็นเปรตเป็นอสูรกายหรือไปตกนรกแต่ถ้าบัญชีบุญมีมากกว่าบัญชีบาบัญชีบุญก็จะดึงใจให้ไปเกิดในสวรให้ไปเป็นเทวดาดังนั้นในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี้ถ้าเรายังมีการทั้งเถอไปทำบาปบ้างเราก็สามารถที่จะยับยัง้งคือไม่ให้บัญชีบาปนั้นดึงเราไป เกิดในอบายได้ด้วยการพยายามทำบุญทำความดีต่างๆให้มีมากกว่าบาปเพื่อเราจะได้มีเทวรทรัพย์มากกว่าทรัพย์ของการไปเป็นสัตว์เดรัจฉา น, นนี้ก็คือข้อที่สองของคำสอนของพระพุทธเจ้าข้อที่แรกให้เราละ ก, การกระทำบาปเพื่อป้องกันไม่ให้เราไปเกิดในบายแต่ถ้าเรามีการผิดพลาดบ้าง ฟังเผ๋อบ้างอาจจะต้องทํำบาปไปบ้างเราก็ยังมีทางที่จะพอที่จะต้านการไปเกิดในบายได้ด้วยการทําบุญให้มากๆทําความดีต่างๆให้มากๆเพราะการทําความดีนี้จะทําให้ใจนี้ไปสวรรค์ทําให้ใจมีความสุขการให้ใจได้ได้เทวซัพขึ้นมาในใจ ผู้ที่ทำบุญมากๆทำบุญบ่อยๆนี้จะเป็นเทวดากันถึงแม้ร่างกายจะเป็นมนุษย์แต่ใจเขาได้เป็นเทวดาแล้วถ้าบุญที่เขาทำนี้มีมากกว่า บ, บาปแต่ถ้าทำบาดด้วยทำบุญด้วยถ้าบาปนี้มีมากกว่า บ, บุญใจก็จะไปทางอบายใจก็จะไม่ได้เป็นมนุษย์ถ้าบุญกับบาปเท่ากันใจก็ยังจะเป็นมนุษย์อยู่เวลาตายไป ถ้าบัญชีบุญกับบัญชีบาปมีกาลังเท่ากันบุญก็ไม่สามารถดึงให้ไปสวรรค์ได้บาปก็ไม่สามารถดึงให้ไปอบายได้ก็เป็นเวลาที่จะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ต่อไปถ้าเราอยากจะรักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้ตายแล้วไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเกิดในสวรรค์เราก็ต้องทาใจของเราให้มี บุญและบาปเท่าๆกันบาปก็ดึงใจให้ไปอาบายไม่ได้บุญก็ดึงาจให้ไปสวรรค์ไม่ได้แต่ถ้าทำบุญให้มากกว่า บ, บาปจะดีกว่าเพราะการไปสวรรค์นี้ไม่ได้เป็นความเสียหายอะไรเป็นการได้รับรางวัลเหมือ น, นกับการได้ไปเที่ยวต่างประเทศเวลาที่เราทำงานกันในโลกนี้ช่วงที่มีวันหยุดถ้าเรามีเงินทองเหนือจริงเหนือใช้ เราก็มักจะไปเที่ยวต่างประเทศกันการไปเที่ยวต่างประเทศนี้เป็นการให้เรามีความสุขเพิ่อเธอมอยู่ชั่วคราวแต่หลังจากเงินหมดเราก็ต้องกลับมาทำงานใหม่นันใดบุญที่เราทํากันนี้ก็เป็นเหมือนเงินที่เราเจะไปใช้ในโลกทิศเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปท่านเรามีบุญมากกว่ามีบาสเราก็แสดงว่าเรามีเงินมากกว่ามีนี้ เราก็มีเอาเงินส่วนต่างของของบุญของของเงินสะสมนี้ไปไปเที่ยวกันได้พอเงินนี้หมดเราก็กลับมาทํางานใหม่เราก็กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่ยังไม่ต้องไปเกิดในอาบายเอาช่วงที่บุญกับบาปเท่ากันบุญก็จะไม่สามารถดึงให้ไปเที่ยวนในสวรรค์ได้บาปก็ไม่สามารถดึงให้ไปเกิดในอาบายได้ไปรับโทษในอาบายได้ ก็จะบางกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปนี่ก็จะเป็นเรื่องของทรับภายในของเราถ้าเราทำสองอย่างนี้ควบคู่กันไปทำบุญด้วยทำบาปด้วยแต่จราบใดถ้าบาปมีน้อยกว่า บ, บุญบุญมีมากกว่า บ, บาปก็ยังไม่ต้องไปใช้กรรมในอาบาทไปสวรรค์แล้วเรากลับมาสกิดเป็นมนุษย์ใหม่เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็กลับมา ทำบุญใหม่ทำบุญให้มากกับบาปใหมเพราะถ้าเราเคยทําอะไรเป็นนิสัยมันก็จะกลับมาไปทําอย่างนั้นถ้าก่อนแล้วถ้าเราเคยทําบุญแบบนี้ทําบาปแบบนี้ถ้านี้เรากลับมาเราก็จะทําบุญแบบนี้ทําบาปแบบนี้ไปแล้วเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราอยากที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาเกิด เพราะอาการมาเกิดแต่ละท่านก็จะต้องเจอกับความแก่เจอกับความเจ็บไข้ได้ป่ยยวยเจอกับความตายเจอกับการสูญเสียการพลาดท่าจากสิ่งที่เรารักเราชอบเป็นการเป็นความทุกข์อย่างยิ่งถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเจอกับความทุกข์ต่างๆเราก็ต้องปฏิบัติทำข้อที่สามที่พระุทธเจ้าทรงสอนให้กาวพุทเราหมั่นปฏิบัติกัน ก็คือให้ทักข้อจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์กาจัดความโลภความอยากต่างๆที่มีใน ใ, นใจให้หมดสิ้นไปเพราะความโลภความอยากนี่แหละเป็นเหตุที่พาให้เราต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายมาเป็นมนุษย์อยู่เรื่อยๆความเหตุที่พาให้เรากลับมาเกิดเกิน้ก็มีอยู่สามสามข้อด้วยกัน ทเรียกว่าการมาตัญหาภาวะตัญหาและวิภาวะตัญหากามาตัญหาก็คือความอยากเสรูจลุกถงกินรดโสดภะชนิต่างๆภาวะตัญหาก็คือความอยากมีอยากเป็นเช่นอยากนั่งอยากรวยอยากเป็นอย่างอยากเป็นโตวิภาวะตัญหาก็คือความอยากไม่เจอกับความทุกข์ยากลาบากต่างๆความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย ความอยากทั้งสามตัวนี้จะทําให้ใจดิ้นรนให้กลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะการที่ถ้าเรามีความอยากเสพลูกเสียงกลิ่นรสสดสะพ้เราก็ต้องมีตาหูจมูกนิ้นกายแต่เราคือใจเราไม่มีตาหูจมูกนิ้นกายเราก็ต้องพึ่งร่างกายเป็นเครื่องมือเพราะร่างกายนี้มีตาหูจมูกนิ้นกายไว้สําหรับเสพลูกเสียงกลิ่นรสต่างๆ ใจที่ไม่มีร่างกายก็เลยจะต้องมามาหาร่างกายเป็นเครื่องมืออยู่เรื่อยๆพอร่างกายที่มีตอนนี้ตายไปใจก็ยังความอยากเสพเูื้เสียงกลิ่นรสส ด, ดะพระธาตุชนี้ต่างๆก็ยังไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะมันอยู่ในใจแล้วมันก็จะเป็นตัวขับดันให้ใจนี้ไปหาร่างกายอันใหม่มาก็าจะได้ ใช้ร่างกายอันใหม่นี้ไปเจ็บโลกเสียงขรดหูเรื่อยๆพ อ, <S <S อได้ร่างกายก็ต้องมาเจอกับความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความกาย <S 1> <S 1> ถ้าเราไม่อยากที่จะต้องกลับมากแก่เจ็บตายอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเราก็ต้องหยุดความอยากทั้งสามนี้ให้ได้ขำจัดความอยากนี้ทักพ่อความอยากนี้ทักพอ่อจิตใจเพื่อให้เอาความอยากทั้งสามนี้ออกไปจากใจให้ได้ การจะซักข้อนี้ก็มีวิธีเรียกว่าการปฏิบัติจิตภาวนาหรือการปฏิบัติธรรมนีม่แล้วก็ต้องมีการรักษาศีลขั้นศีลแปดขึ้นไปจะ<ม>เป็นศีลแปดก็ได้ศีลเจ็ดก็ได้ศีลสองร้อยี่สิบเจ็ดข้อก็ได้เพราะการที่เราจะซักข้อสิตใจให้การให้หยุดความอยากต่างๆได้ในเบื้องต้นเราต้องมีศีลเป็นทู เป็นผู้รังงับหรือห้ามตาไมไว้ก่อน<ม>เป่นคนที่อยากจะมาทำจิตภาวนาที่มีอยู่สองขั้นเจอธรรมะภาวนาและวิปัสสนาภาวนา<ม>การที่จะทำธรรมะภาวนาทําจิตใจให้สงบได้หรือการที่จะทาวิปัสสนาทำจิตใจให้สลาดให้รู้ทันความอยากและ ให้ละความอยากให้ได้ น, นี้จําเป็นที่จะต้องอละการเสพการไว้ชัวว่วคราวก่อนละการเสพกามสุงทางตาหูจมูกลิ้นกายทางรูปเสียงจินรดด้วยการถือสิ่งแต่งิ่งแต่นี้ก็มีแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกก็เป็นการห้ามไม่ให้ ท, ทำบาสเั่นการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การพูดปดการดื่มสายาเมา ส่วนุสีข้อนี้เป็นการห้ามไม่ให้ไม่ให้หาความสุขจากการเสพ ร, รูปสียจิตเลดเช่นสินข้อสามของสินใจก็จะถืออบ ร, รมมัจริยาพยสือถือพรหมจันท์โดยจะไม่ให้หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับใครแล้วก็สินข้อหกก็คือ ไม่ให้หาความสุขจากการดื่มการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มต่างๆให้ดื่มรับประทานพอประมาณพอพอให้ร่างกายอยู่ได้แต่ไม่ให้ดื่มไม่ให้รับประทานตามความอยากจึงมีการกําหนดเกิดการเดื่มการรับประทานไว้ไม่ให้เกินเที่ยงวันไปตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงนี้อนุญาตให้กินให้ดื่มเพื่อเลี้ยงดูร่างกายได้แต่ไม่ให้กินให้ดื่มหลังจากนั้น ก็ถือว่าเป็นการจินการเื่นเพื่อความอยากเพื่อกามะตัณหาที่เราจะต้องการกำจัดเราก็ต้องห้ามไม่ให้เกิดกามะตัณหาในรูปแบบของอาหารหลังจากเชี่ยงวันไปแล้วเราก็จะไม่รับประทานอาหารอะไรอีกแล้วถ้าเราหิวน้ำก็ให้ดื่มน้ำเปล่าไปไม่ต้องดื่มน้ำที่มีสีมีกลิ่นมีรสเป็นน้ำชากาแฟอะไรเป็นต้น จะเว้นท้ามีเหตุคือมีโครคภขยแค้เจ็บบางอย่างพราพทเจ้าก็สมงอนุญาตให้มีดื่มรับประทานยาห้าชนิดด้วยกันได้กไแก่น้ำอ้อยน้ำผึ้งโยนยข้นโดยใสแล้วก็อะไรออย่างีกกนึ่งมีอยู่ห้าอันด้วยกันที่สามารถเอามาช่วยเวลาที่เกิดในการเจ็บไข้ได้ป่วย เนื่องจากการไม่ได้รับประทานอาหารที่พอเพียงอาจจะไม่มีพลังงานพอเพียงได้นื่มดื่น้ำผึ้งคือ น, น้ำน้ำออยน้ำออยกับน้ำตาลมีการเดียวกันหรือเนยข้นเนยใส <S <S 1> <S 1> เป็นต้นแต่ถ้าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่ต้องให้ไม่ต้องกินไม่ต้องดื่มสิ่งเหล่านี้เราต้องการที่จะมาห้ามใจไม่ให้ไปเสพลูกเสียงกินลดทั้ง ทางเครื่องเดื่มและทางอาหารอันนี้คือเสียงข้อหกเสียงข้อเจ็ดก็คือให้ลรเว้นการสราความสุขจากการดูมหรสยบันเทิงต่างๆไม่ให้เสียรูปเสียงจิตร ด, ดไม่ให้เสียรูปเสียงเิตรูปเสียงส่วนใหญ่ที่เรได้จากการดูการฟังดูหนังฟังเพลงเป็นต้นหรือไปตามสถานแหล่งบันเทิงต่างๆไปงานเลี้ยงต่างๆ แล้วก็ไม่ให้เสริมสวยความงามของร่างกายไม่ให้เสจความสวยงามของร่างกายให้ใหอาบน้าแล้วก็หวีท้าหวีผมก็พอรักษาร่างกายให้สะอาดก็พอใส่เสื้อผ้าแบบเรียบง่ายไม่จาเป็ น, บบนีต้องใส่เสเื้อผ้าที่วิจิตพิสดานเสริมสวยความงามเราไม่ต้องการเสพความสุขแบบนี้เราเป็นความสุขที่เป็นเหมือนยาเสพติด เสร็จแล้วก็จะติดเวลาไม่ได้เสร็จก็จะสร้างความทุกข์ให้กับใจได้เราต้องการที่จะมาหิดกามะตัญหามีการอยู่ความอยากที่จะเสรจดื่อเสียงกลิ่นลดผดกะพะในรูปแบบต่างๆและข้อข้อที่ข้อที่แดเราก็จะไม่นอนมากเกินไปนอนพอพักผ่อนร่างกายได้ร่างกายนี้ปกติถ้าได้นอนคือละสีห้าชั่วโมงก็จะพอกับความต้องการ แต่ถ้าเรานอนบนเตียงที่สุขสบายมีฟูกหนาๆนะเวลาร่างกายได้พักผ่อนเติมขึ้นมาแล้วสี่ห้าชั่วโมงแต่ใจเรายังไม่อยากจะลุกเพราะมันอยากจะหาความสุขจากการนอนบนบนฟูกหนาๆนะบนเตียงที่มีสุขมีสบายวิธีป้องกันไม่ให้นอนมากก็คือให้นอนบนพื้นหรือเตียงที่เป็นพื้นแข็งๆไม่มีฟูกหนาๆนะ นอนเพื่อพักผ่อนหลับนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายก็พอพอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาจะไม่อยากจะนอนต่อเพราะพื้นมันแข็งนอนแล้วไม่สบายเราจะได้มีเวลาเอามาให้กับการปฏิบัติท ร, รคือท่านแรกขั้นสมถ ะ, ะภาวนาทำใจให้สงบก่อนหยุดความอยากด้วยการทำใจให้นิ่งให้สงบก่อนถ้าเราไม่หยุดความถ้าเราไม่ทำใจให้นิ่งความอยากที่มีในใจเรามัน มันจะดิ้นมันจะทํางานอยู่เรื่อยแม้เราจะเสียสินแปดสินนี้ก็ไปหยุดคางอยากในใจไม่ได้สิ่งเพงแต่เป็นรั้วกัน้นไม่ให้มันออกมาทางกายทางวาจาไม่ให้ออกมาจากทางการกระทําของกายของวาจาเท่านั้นเองแต่ความอยากที่มันอยู่ในใจนี้มันยังดิ้นอยู่ได้จิธีจะทําให้มันหยุดดิ้นเพื่อเมัน่ไม่ให้มันสร้างความทุกข์กับเราเราก็ต้องทําสมาธิทําใจให้นิ่งให้สงบให้ได้ ถ้าใจนิง่งใจสงบแล้วความอยากมันก็จะมันก็จะสงบตัวลงไปมันไม่สามารถดิ้นได้ถ้าใจไม่ถ้าใจอยู่ในความสงบดังนั้นในเบื้องต้นเราจะต้องหยุดความอยากในใจด้วยการทำให้มันทำใจให้สงบเป็นการหยุดความอยากไว้ชั่วคราวแต่ไม่สามารถหยุดความอยากได้อย่างถาวรท่านที่หนึ่งเราเพียงแต่มาหยุดความอยากในใจ ด้วยการทําใจให้นิ่งให้สงบด้วยการนั่งสมาธิการที่จะทําให้ใจให้นิ่งให้สงบเราจะต้องมีสติเป็นผู้ควบคุมกํากับใจผูกใจไว้กับอารมณ์ที่เรียกว่ากรรมฐานเช่นคําบริกรรมพุทโธพุทโธหรือการดูลมหายใจเข้าออกต้องมีสติแล้วเลิกรู้อยู่กับพุทโธหรือและวเลิกรู้อยู่กับดูการหายใจเข้าออกไม่ให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้าเรามีสติคอยกำกับใจให้อยู่กับพุตโธ้หรืออยู่กับลมหายใจใจก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ถ้าเราสามารถควบคุมด้วยสติให้อยู่กับกรรมฐานได้อย่างต่อเนื่องไม่นานห้าสี่ห้านาทีนี้ใจก็สามารถเข้าสู่ความสงบได้เข้าสู่สมาธิได้เมื่อใจเข้าสู่สมาธิใจก็จะนิ่งใจก็จะสงบใจเย็นแล้วเราดความสุขที่มหาจระจานใจ ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงอยู่ที่ความสงบของใจนี่เองถ้าเราสามารถเข้าถึงจุดนี้ได้เราก็จะมีกำลังที่จะต่อสู้กับความอยากที่จะเสพลูกเสียงสินลดความอยากที่จะเป็นใหญ่เป็นโตวความอยากที่จะไม่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายที่เป็นตัวที่มาสร้างความสุขสต่างๆให้กับใจได้แต่แต่มันอเพงจะหยุดได้ชั่วคราวเท่านั้นเอง สมาธิท่านบอกว่าเป็นเหมือนหินทับยาคือเป็นหินทับความอยากกดความอยากไว้ชั่วคราวความสงบแต่พอถอนออกจากสมาธิมาพอเริ่มมาคิดปรุงแต่งมาเริ่มรับรู้เรื่องราวต่างๆความอยากก็จะผลขึ้นมาใหม่ได้ถ้าอยากจะกจาจัดความอยากที่โผกขึ้นมาหลังจากที่ออกจากสมาธิมาก็ต้องทำขั้นที่สองที่เรียก ว, วิปัสสนาภาวนา ใช้ปัญญามาระงับความมากําจัดความอยากต่างๆปัญญาก็จะสอนให้เรามองสิ่งที่เราอยากได้ว่ามันเป็นทุกข์ที่เราอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันรูปเสียงกลิ่นรสนี้ก็เป็นทุกข์ทุกเพราะอะไรทุกข์เพราะเป็นของชั่วคราวเป็นของที่ไม่แน่นอนบางทีอยากจะเสพก็ไม่ได้เสพก็มีเวลาไม่ได้เสพก็ทุกข์หรว่าถ้าเวลาได้เสพแล้วมันก็เป็นเป็นของชั่วคราวเสพปั๊บเดี๋ยวมันก็หมดไป ก็ต้องคอยหามาใหม่มาเสมอยู่เรื่อยๆเวลาถ้ายหาหาใหม่ไม่ได้ก็จะเจอกับความทุกข์ไปเรื่อยเอหรือสูญเสียสิ่งที่เราได้มาไปพอมันจากเราไปมันก็ทําให้เราเศร้าได้ต่านสอนให้เรามองทุกอย่างที่เราอยากว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวเป็นของที่จะไม่อยู่กับเราเป็นของเราไปได้ตลอดเป็นอนัตตาเป็นของธรรมชาติไม่ใช่ของเรามันจะไม่อยู่กับเราพอมันจากเราไปมันก็จะทําให้เราเศร้าทําให้เราทุกข์ขึ้นึ่ง ถ้าเราสามารถมองให้ปัญญามองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างกับสิ่งที่เราอยากก็ว่ามันเป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ของเราที่เราสามารถเก็บเอาไว้เป็นของเราได้ต่อไปเราก็จะไม่อยากได้อะไรเพราะรู้ว่าคามอยากนี้นําไปนําไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่นําไปสู่ความสุขที่แท้จริงพอเราสามารถหยุดความอยากด้วยปัญญาได้แล้วความอยากต่างๆก็จะหายไปหมด พอความอยากหายไปหมดใจที่นิ่นนดนด้วยความอยากก็จะสงบตัวลงเหมือนกับเข้าสมาธิโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิใ้ปัญญาหยุดความอยาก ท, ที่ทำให้ใจวุ่นวายทำให้ใจไม่สงบพอความอยากดับไปหายไปใจก็จะสงบเหมือนกับเข้าสมาธิอต่เป็นความสงบที่ดีกว่าการเข้าสมาธิเพราเป็นความสงบที่ยั่งยืนถาวร อย่างความสงบนี้เราเรียกว่านิพพานเป็นสิ่งที่เป็นปพมังสุขขันเป็นความสุขตลอดกาลตลอดอนันตกาลไม่มีวันสิ้นสุดแล้วก็เป็นาจที่ไม่ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายต่อไปเพราะความอยากเสด็ลูกเสียงหินลดในใจก็หมดไปเมื่อไม่มีความอยากจะเสด็ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปมีร่างกายกต่อไปก็ไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปไม่ต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายอยู่เรื่อยๆ อ, อันนี้เป็น การการปฏิบัติขั้นสุดท้ายของของการปฏิบัติที่พระเจ้าทรงสอนการปฏิบัติจิตตภาวานานี้ก็จะทําทให้เราได้พรมัตย์ถ้าเราสามารถทําใจให้สงบเป็นสมาธิได้แต่ยังยังกําจัดความอยากยังอยู่การเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้พอเราปฏิบัติขั้นที่ขั้นต่อจากสมถทภาวานาไปสู่วิปัสสนาภาวานาเราก็จะตัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้ เราก็จะขึ้นไปสู่ขั้นอริยครับขั้นสู่ขั้นิพพา น, น, านจะไปนิพพานได้จะต้องมีปัญญาเห็นไจรักจะไปท่านพรมโลกได้จะต้องมีสติสจิตใจให้สงบให้เข้าสมาธิจะไปสวรรค์ชั้นเทพได้จะต้องทําบุญทาทานให้มากกว่ทาทาบาศากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต่อเมื่อมีบุญกับบาปมีกําลังเท่ากัน ถ้าบาปมีกำลังมากกว่าก็จะไปเกิดในบายก่อนนี่คือทรัพย์ต่างๆที่เราจะส า, สามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในขณะนี้ถ้าเรามีเวลามาให้กับการปฏิบัติตามที่พูะเจ้าส่งบัญญัติไว้คือวันพระอาทิตย์ละหนึ่งวันควรจะมีวันพระหนึ่งวันถ้าวันพระเกิดไปตรงกับวันทำงานมาปฏิบัติทำในวันพระไม่ได้เราก็เปลี่ยนวันพระของเราใหม่ แทนที่จะเป็นวันตามที่ปฏิทินเขากําหนดไว้เช่นวันนี้เราก็ไปกําหนดให้เป็นตรงกับวันหยุดทํางานของเราแทนถ้าเราหยุดทํางานวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เราก็เอาวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นี้เป็นวันเป็นวันพระของเราในเวลาที่เราจะเอาเวลามาให้กับการทําหน้าที่ทางธรรมกันเราอย่างน้อยต้องมีอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเพราะว่าถ้าเราไม่มีเลยเราจะไม่มีวันที่จะมีโอกาสที่จะทําหน้าที่ทางธรรมได้อย่างสมบูรณ์ ถ้าเรามีแล้วเราพอเราทำไปแล้วเราเห็นผลที่ดีเราก็อยากจะทําหน้าที่ทางธรรมเพิ่มมากขึ้นต่อไปเราก็อาจจะทําเพิ่มจากอาทิตย์ละหนึ่งวันเป็นสองวันเป็นสาวันเป็นสี่วันจนในที่สุดก็เรายก็อยากจะหยุดทํางานทางโลกเลยก็ได้เพื่อเอาเวลามาให้กับการทํางานทางธรรมต่อไปถ้าเราทํางานทางธรรมได้อย่างเต็มที่ผลนั้นสูงสุดก็คือพระนิพพานก็จะเป็นผลที่จะปรากฏขึ้นมาตามลําดับต่อไปอย่างแน่นอน นี่คือเรื่องของการทำหน้าที่ในวันพระทำหน้าที่ทางธรรมในวันพระที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติการแสดงธรรมไว้เพียงเท่านี้เพราะเราจะมีมเวลาประมาณสามสิบนาทีให้กับการมาปฏิบัติธรรมมาการชลักฟอกสิตใจด้วยการบาเพ็ญสมะถะภาวนาโดยการทาให้จ ใจสงบทำให้ใจเป็นสมาธิในเบื้องต้นก่อนก่อนที่เราจะไปทางวิปัสสนาได้เราต้องผ่านการทำสมาธิให้ได้ก่อนถ้ายังไม่มีสมาธินี้เราไม่สามารถไปทางวิปัสสนาได้เพราะไม่มีอะไรที่เราจะการมีวิปัสสนานี้ก็มีเพื่อไว้เพื่อจะได้รักษาใจที่สงบให้สงบต่อไปหลังจากออกจากสมาธิมาหนึ่นงแต่ถ้าใจยังไม่สงบนี้ และใช้วิปัสสนามาทําให้สงบนี้เป็นไปได้ยากเ น, นั้นเบื้องต้นต้องทําใจให้สงบนี้ให้เป็นสมาธิด้วยการฝึกสติใช้ ส, สติเป็นเครื่องมือจับจับใจควบคุมใจถูกใจไว้ให้อยู่กับกรรมฐานอารมณ์ที่กล่องใจจะเป็นพุทโธก็ได้จะเป็นการดูลมหายใจก็ได้หรือถ้ามันฟุ้งมากๆดูลมไม่ได้หายใจไม่ได้ดูลมหายใจไม่ได้บริกรรมพุทโธไม่ได้ก็ใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้ สวดไปจะรู้สึกไใลเบาสามารถกลับมาดูลมได้หรือบริกรรมพุทธโธได้ก็อหยุดสวดแล้วก็มาดูลมอย่างเดียวหรือพุทธโธอย่างเดียวไปจนกว่าจิตจะรวมเข้าสู่สมาธิเวลานั่งสมาธิจึงต้องผูกใจไว้อยู่กรรมฐานเพียงอย่างเดียวอย่าทิ้งกรรมฐานมีอะไรปรากฏขึ้นมาอย่าไปสนใจถ้ามีเสียงเข้ามาอย่างตอนนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจกับเสียงมีอะไรปรากฏขึ้นมาในใจเป็นภาพเป็นสิ่งเป็นความรู้สึกอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจ ให้ผูกใจไว้อยู่กับกรรมฐานถ้าเราอยากจะให้ใจเข้าสู่ความสงบนี่คือประเด็นสําคัญที่เราจะต้องจดกรรมไว้เวลานั่งสมาธิต้องมีสติแล้เลือนเลื่อนอยู่กับกรรมฐานเพียงอย่างเดียวอย่ากทิ้งกรรมฐานไปแล้วใจของเราจะได้เข้าสู่ความสงบได้ถ้าไม่อยู่กับกรรมฐานแล้วก็มันก็จะเข้าสู่ความสงบไม่ได้ความสงบนี้เป็นคำที่สําคัญอย่างยิ่งเบื้องต้นเราต้องทําใจให้มีพลังถูกจากความสงบก่อนแล้ว า, าถึงไปขัน้นวิปัสสนา เพื่อรักษาภาสงบนี้ให้อยู่ต่อไปด้วยปัญญาอันนี้ก็คือวิธีการนั่งสมาธิแล้วที่เราจะมาทำกันในขณะนี้ไปจนกว่าจะหมดเวลาประมาณสักสามสิบห้ายี่สิบห้านาทีด้วยกันตอนนี้เวลาสาหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกปรดสังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วสงบดีไหม ถ้าสงบดีก็ให้จดจำวิธีนั่งของวันนี้ไว้เพื่อคราวหน้าเวลามานั่งใหม่ก็จะใช้ใช้วิธีนี้ได้ต่อไปอย่านั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะเมื่อความอยากให้มันสงบจะไม่ทำให้มันสงบต้องวิธีนั่งแบบวันนี้ถ้ายังไม่สงบก็แสดงว่าสติยังมีน้อยควรที่จะฝึกสติให้มากขึ้นในระหว่างวันสามารถฝึกสติได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาพุโทโธพุโทโธไปเรื่อย อย่าให้ปล่อยอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเวลามานั่งสมาธิก็จะสงบได้ง่ายแล้วต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริปุรเรนติสากรังเอวเมวะอิตตทินังเปตานังอุ ป, ปก ป, กปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโต สัพเพปุเณรตสังกะปาจันโทปนะราสุยธามลิจุติอารสุยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพโรโควินัสตูมัติภวะตวันตาาโยสุขิติขายุโกภว อภิวาทนาสิลิสะนิจังวุธาปะจายโน่จตารธรรมวัทานติอายุวโนสุขังภาลาัช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย เป็นช่วงเดียวที่จะสะดวกเก่ย ต, ต่อการตอบคำถามถ้ามาตอนที่เลิกแล้วจะไม่สะดวกต้องขออาภัยด้วยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษข่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่กราบเรียนครับพระอาจารย์วันนี้มีผู้ติดตามทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ264ท่านทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติ272ท่าน ทาง YouTube วีสี่สิบสามท่านทางวิทยุออนไลน์สิบท่านทางขับเฮ o u ์ห้าท่านผู้รับฟังนักกุติหนึ่ง้อยสามสิบห้าท่านรวมทั้งหมดเจ็ดร้อยี่สิบเก้าท่านครับกราบนรมัส ก, การภพาจารย์เจ้าค่ะมีคำถามจากผู้รับฟังนะน้ากุติฝากถามเข้ามาว่าได้สั่งเสียลูกไว้ว่า ถ้าแม่ตายไม่ต้องค้อลงเพื่อเรียกกินอะไรเช่นข้าวปลาอาหารตามความเชื่อที่เอามาไว้ข้างลงศพให้ทำพิธีเผาศพในวันเดียวตายตายในหนึ่งวันก็เผาในวันนั้นเลยแบบนี้จะเป็นการผิดประเพณีไหมเจ้าคะ่ะผิดไม่ผิดก็ไม่รู้ล่ะสั่งเขาเขาอาจจะไม่ทำตามที่เขาที่เราสั่งก็ได้ อย่างอย่าไปสนใจเลยเราตายไปแล้วก็ถือว่าเราหมดหน้าที่ของเราแล้วะร่างกายของเราใครจะไปทําอะไรอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาไปอย่าไปยึดติดกับร่างกายตายแล้วยังไปยึดติดอย่างนะี้ปล่อยไปตามบุญตามกรรมมันใครอยไปทําอะไรก็ปล่อยก็ทําไปเจ้าค่ะจักคุณใบยกพระอาจารย์เจ้าค่ะการที่นั่งสมาธิดูแค่ลมจนลมเบามากแทบจะไม่มี แต่ลูกกลับเห็นลมที่เบานั้นเป็นดอกไม้แก้วเป็นแสงต่างๆพอเห็นแบบนี้ลูกก็พยายามหาลมจริงๆลูกควรทำเช่นไรเจ้าคะคนจะดูเฉยๆอย่าไปปรุงแต่งมันอ น, นั้นเป็นการปรุงแต่งของใจเห็นเป็นนู่นเป็นนี่ไปก็พยายามดูเฉยๆไปคำถามที่สองลูกนั่งสมาธิแล้วสิ่งที่ลูกได้รับคือ รู้ทันจิตตนการยอมรับข้อบกพร่องและมองเห็นสิ่งนี้ในตนลูกก็จะขัดเกลาตรงนี้เจ้าค่ะอย่างวันนี้ลูกบริกรรมต่อสู้กับความคิดฟุ้งของลูกถูกแล้วหรือไม่อย่างไรเจ้าค่ะก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยหยุดความฟุ้งได้ถ้ามีคำบริกรรมไปเรื่อยๆจาก YouTube เจ้าค่ะวิธีกำจัดโมหะโทสะเวลา เกิดขึ้นในใจเราต้องทำอย่างไรคะก็หยุดมันเลยจากเฟซบุ๊กเจ้าคา่ะทำไมเวลาบุรให้เงินเราเราจึงรู้สึกสุขใจอิ่มใจแบบนี้คือบุญไหมครับคือบุญนี้อยู่ที่คนให้คนรับนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นบุญนะถือว่าเป็นความโลภดีใจเพราะยินดีที่เขาให้เงินเรา ใครคนให้จะให้แล้วมีความสุขใจแสดงว่าเขาเสียสละอันนั้นเป็นบุญหลาอย่างกันคนรับไม่ควรจะไปไปยินดีถ้ายินดีก็เป็นกิเลสเดี๋ยวก็อยากจะได้เดีย๋ยวคราวหน้าถ้าลูกไม่ให้หรือให้น้อยไปหน่อยก็จะเสียใจเาค่ะจากอินบ็อกซ์เจาค่นาะนรมาสการพระอาจารย์ครับอยากจะได้หลักคิดหรือวิธี ที่ทำให้เรามั่นใจในสิ่งที่ไม่เคยเห็นแต่มีอยู่จริงอย่างพระนิพพานอยากจะให้ใจเชื่อมั่นไม่หวันไหวว่าพระนิพพานมีจริงต่อให้ปฏิบัติไปไม่เห็นอะไรเลยแต่ก็ยังเชื่อสุดหัวใจว่าที่ปลายทางของชีวิตยังมีพระนิพพานรอเราอยู่ขอบคุณครับก็ต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆให้มันเห็นผลมันก็จะเกิดความเชื่อขึ้นมาเอง ถ้ายังไม่เห็นผลมันก็ยังไม่เกิดความเชื่อผลที่เราต้องการก็คือความสงบของใจจาก YouTube พระอาจารย์เจ้าค่ะขอถามค่ะลูกเอยบวดค่ะหลวงพ่อท่านถามว่ามาบวชได้อะไรไหมลูกตอบท่านว่าไม่ได้อะไรค่ะได้แต่ว่างเบากายค่ะสุขใจไปา3วันเลยค่ะแบบนี้ลูกได้อะไรไหมคะเอาก็อย่างที่หนูบอกหนูที่มาถามเราทําไม อ น, นุได้แต่ความว่างค่ะจากยูทูบเจ้าค่ะกล่าวนามัชการพระอาจารย์ครับได้ฝึกปฏิบัติไหวพระสวดมนต์ภาวนาเช้าเย็นช่วงละประมาณหนึ่งชั่วโมงความโลภความโกรธความหลงลดลงแต่การภาวนายังไม่ค่อยสงบทำให้เกิดความท้อใจขอแนวทางปฏิบัติหน่อยครับถาดสติต้องพยายามฝึกสติก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิ พยายามห้ามใจไว้ก่อนที่เราจะมานั่งด้วยคำบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปทั้งวันตื่นขึ้นมาก็เริ่มเบย์คำรรพุโทโธพุโทโธไปภายในใจเรื่อยๆเราเดี๋ยวเวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบได้ค่ะมีคําถามของเ้าก่อนที่ยังไม่ได้ถามจ้าค่ะฝากคําถามถ้าไม่ต้องอยากสู่นิพพาน ปฏิบัติถือศีลทำบุญทำทานเจริญสติสมาธิภาวนาได้แค่ไหนแค่นั้นถูก <cs Hamilton ấp> ต้องหมาเจ้าค่ะขอจันโปรดเมตตาชี้แนะเจ้าค่ะก็ทำไปเรื่อยๆแล้วเพิ่มขึ้นไปตามลำดับตามกำลังของเราอันนี้ทำได้แค่นี้ก็ทำแค่นี้ไปก่อนแล้วต่อไปก็ต้องเพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเราอยากจะไปถึงขั้นสูงสุดต่อไป กลับ น, นมาชการหลวงพ่อครับขอสอบถามครับว่าวันพระใหญ่ที่วัดคนเยอะมากถ้าเราไม่ไปเวียนเทียนที่วัดแต่เรามาปฏิบัติบูบชานั่งสมาธิเจริญภาวนาอยู่ที่บ้านแทนได้ไหมครับได้ทำที่ไหนก็ได้กลับนรมาการพระอาจารย์สุชาติครับขออนุญาตยันถามครับว่า ถ้าเรารักษาศีลแล้วชาตินหน้าได้เป็นเทวดาเราจะมีโอกาสได้นั่งสมาธิจเจริญภาวนาต่อไหมแล้วเทวดาจะมีวิธีการจเจริญภาวนาต่างจากมนุษย์อย่างไรบ้างครับรต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนแล้วค่อยมาปฏิบัติตอนที่ไปเป็นเทวดาก็ไปเที่ยวไปชื่นชมกับรูปทิพย์เสียงทิพย์ไปก่อนอพักผ่นแพอหมดบุญแล้วค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ค่อยมาหัดนั่งสมาธิใหม่ เจ้าค่ะจากคุณสุวรรณน้อมกราบนมัสการเจ้าข้าพระเจ้ามีคําถามอยากถามว่าเวลาโยมนั่งสมาธิแล้วจิตนิ่งเห็นแสงสีแดงสีขาวแล้วเห็นแสงอยู่ในอุโมงสว่างมากติดโยมก็บอกว่าตามไปดู จ, จิตโยมก็บอกว่าตามไปดูโยมก็ตามไปแล้วก็ไม่ถึงสักทีใกล้ๆเวลาหยุดก็หยุดใกล้ๆดวงคิดว่าแล้ว จะกลับยังไงก็เลยคิดถึงพุโทโธโยมจะทํายังไงดีพระอาจารย์ถ้านั่งแล้วเห็นแสงสว่างจิตโยมชอบตามไปดูน้อมกับสาธุธเจ้าค่ะต้องอย่าไปให้อยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆเวลานั่งสมาธิต้องมีอะไรผูกใจไว้แต่เป็นพุโทโธก็อยู่กับพุโทโธไปอะไรจะมาปรากฏก็ไม่ต้องไปสนใจถ้าดูลมก็ดูลมไปอย่าไปสนใจกับอะไรให้อยู่กับกรรมฐานไปเรื่อยๆแล้วทุกอย่างก็จะหายไปแล้วใจก็จะนิ่งสงบ ว่างเย็นสบายถ้หาหากนั่งสมาธิแล้วง่วงควรไปนอนพอตื่นก็นั่งสมาธิต่อหรือควรพยายามฝืนทําสมาธิต่อไปซึ่งมักลงเอยด้วยกันนั่งสัประโคมค่ะก็ง่วงมีหลายแบบถ้าง่วงเพราะว่ามันขาดนอนมันก็ต้องมันก็ต้องพักนอนแต่ถ้านอนมากแล้วยังง่วงอยู่แสดงว่าขี้เกียจแล้วมันกิเลสอันนี้ก็ต้องลุกขึ้นมาเดินท่าน นานั่งแล้วหลับแลวลุกขึ้นมาเดินเดินแทนนั่งเดินใช้พุโทโธเดินไปเดินมาใช้พุโทโธไปแทนก็ได้เป็นเป็นอริยาบทเจ้าค่ะคนที่มีสติดีเวลาหลับจะไม่ฝันใช่หรือไม่คะก็ฝันน้อยปุชุชนหากรักษาสีนห้าให้บริสุทธิ์และละสังโยชน์เบื้องต่ำได้ก็สามารถเป็นพระโสดาบันได้เมือม่อโตเมื่อเมื่อเป็นโสดาบันแล้ว ก็ค่อยเพิ่มมระดับไปรักษาศิลแปดความคิดแบบนี้ถูกต้องไหมคะคือมันคิดแบบนี้ก็ได้แต่ความจริงมันไม่ได้คือก่อนจะได้ปัญญามันต้องผ่านสมาธิก่อนก่อนจะผ่านสมาธิมันก็ต้องไปรักษาศิญแปดก่อนถึงจะได้สมาธิพอได้สมาธิแล้วค่อยไปทางปัญญาถึงจะได้ละสังโยชน์ได้แต่ถ้าเกิดชาก่อนเรามีสมาธิมาแล้ว ชาช่านี้เราไม่มีเวลาไ ป, ป น, นั่งสมาธิแต่ใจเรามีสมาธิอยู่แล้วก็ใช้ปัญญาบรรลุเป็นสโสดาได้แต่ต้องมีสมาธิอยู่ในใจอยู่แล้วแต่ถ้ายังไม่มีสมาธิอยู่ในใจต้องไปฝึกสมาธิก่อนแล้วค่อยไปเจริญทางปัญญาต่อไปเจ้าค่ะจากทางช่องด็อกเตอร์วีเจ้าค่ะน้อมกราบพระาจารย์เจ้าค่ะเวลายมนั่งเจริญสติเกิดความฟุ้งซ่านกับนิมิต แตกต่างกันอย่างไรเจ้าคะเหมือนการปรุงสร้างแล้วนีม่มันเป็นการเป็นเรื่องของการปรุงแต่งของจิตความไม่สงบของจิตการนั่งจึงต้องมีอะไรผ <c oughs> ูกใจไว้อย่าให้ใจป่อยอย่าปล่อยใจเป็นอิสระให้คิดปรุงแต่งต่างๆขึ้นมาต้องอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับลมหายใจไป <c oughs> อมีคําถามไหมทำตามคำลองมาหรเปล่านี้อ่เข้ามา าด้วยก่่อนาทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะกราดธรรมชาิ ก, รรการหลวงพ่อครับกระผมขอหลักสมดุลของทางโลกและทางธรรมในวัยที่ต้องดูแลครอบครัควรที่ควรมีปฏิบัติครับก็เริ่มต้นก็มีวันพระที่นันหนึ่งวันก่อนเป็นวันวันพระแล้วก็ปฏิบัติทำไปวันธรรมดาเราก็ทําหน้าที่ของเราไปทางโลกแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นมาตามลําดับตามโอกาส ข้างหลังอยากจท่านมีไว้ขอโอกาสพระอาจารย์ค่ะโยมอยากทราบค่ะว่าเราจะรู้ได้ยังไงก็คะว่าธรรมะแท้ทำแท้ที่เราได้ฟังทุกวันนี้ค่ะเพราะว่ามีคนประกาศทำมากมายเราจะรู้ได้อย่างไรคะก็รู้ว่าเอามาใช้ดับความทุกข์ได้เวลาเศร้าโศกเสียใจพอธรรมะมาพิจารณา เห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากพอหยุดความอยากได้ความทุกข์ก็หายไปต้องดูที่ใจต้องดูตอนที่มันทุกข์หรือไม่ทุกข์ถ้ยังไม่ทุกข์นี่มันไม่รู้ว่าเป็นธรรมะธรรมแท้หรือธรรมปอมเหมือนกับเวลาที่เรากินยาแก้ปวดเนี้ยถ้าเราไม่ได้ปวดหัวกินไปเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยาแก้ปวดหรืงไงอไม่เพราะมันไม่มีผลอะไรแต่ถ้าพอเราปวดหัวขึ้นมาแล้วเราเอายามากินกินแล้วหายเราก็รู้ว่ายานี้เป็นยาแท้ แอ่ปวดหัวได้ <c oughs> ต้องมีทุกข์ก่อนถึงจะรู้ว่าธรรมะนี้เป็นธรรมแท้เลยไมย่ทุกข์บอกมีปัญญาบอกเกิดเข้าใจไหมปัญญาคือธรรมะนี่อันนี้จังทุกขั ง, งนะตาริยรรสัสสีคือปัญญาถ้าอาจารย์เจ้าคะอยากทราบเรื่องกําเนิดของธาตุรู้เจ้าค่ะพระอาจารย์พอจะเล่าย่อๆได้ไหมใช่ไหคะอ๋อไม่มีหรอกพระพุทธเจ้าพยายามจะรู้งไงพระพุทธเจ้ายังไม่รู้เลย เขาพวกนี้มันมีอยู่เป็นอยู่ของมันอย่างั้นไม่สเป็นไม่สําคัญต้องไปรู้มันหรือว่าหรือว่าเราจะหมดทุกเมื่อไหร่ดีกว่าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะโอเคอย่าไปเสียเวลากับสิ่งที่ไม่จําเป็นจะต้องรู้ให้รู้ในสิ่งที่เราควรจะรู้ควรจะทําดีกว่าทําให้วันทุกมันหมดจากใจเราเมื่อไหร่ให้มันหมดไปได้เมื่อไหร่ยิ่งดีเจ้าค่ะจากทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะกราบสอบถามค่ะเมื่อเรา แผ่เมตตาแล้วแต่เราไม่ควรกวดน้ําได้ไหมคะพอเรื่องการแผ่เมตตาคือให้ความสุขกับผู้อื่นให้ความเป็นนิพภาพอันนี้ต้องแผ่ตอนที่เราเจอกันไม่ใช่เวลาเจอกันหน้าบึง้งเวลารับหลังนี่สวดบทแผ่เมตตาให้เขานนะั้ต้องยิ้มย้มแจ่มใสเวลาเจอกันมีขนมก็มาฝากมาแบ่งกันอันนี้เรียกว่าแผ่เมตตาส่วนอุทิศบุญนั้นก็คือการทําบุญแล้วก็เอาบุญนี้ที่เราทํานี้ส่งไปให้คนตาย ขอละเรื่องกันอาไห้คนถามปัญหากรน้ำมการครับพระอาจารย์สุชาติคือตัวผมดูพุโทโธครับแต่พอภาวนาไปตัวพุโทโธหายทีเนี้ยมาเห็นตัวมาเห็นตัวเองนั่งอยู่แล้วก็อีกอันนึงก็มาดูว่าไอ้ที่นั่งอยู่คือเราหรือไอ้ที่ไปถูกดู ว่าเป็นเราหรือไอ้ทีไปถูกลับรู้ว่าเป็นเรามันก็เลยเถียงกันครับนั่นแหละเพราะเราไม่อยู่พุโทโธกลับมาหาพุทโธก็กลับมาหาพุโทโธเวลานั่งสมาธินี่เราไม่ต้องการเห็นอะไรรู้อะไรต้องการให้จิตสงบให้ว่างจะจะสงบจะว่างก็ต้องมีพุโทโธเป็นตัวนําไปครับส่วนวิปัสสนานี้มันต้องหลังจากที่เรามีสมาธิแล้วเราค่อยใช้ปัญญามาวิเคราะห์หนึ่งทีอันนี้ยังไม่ต้องมึงต้นให้ได้สมาธิก่อน ถ้าไม่มีสมาธินี้ใจจะไม่มีกําลังวิเคราะห์ให้เห็นแจ้งชัดได้ว่าอะไรเป็นอะไรครับขอโอกาสอีกแล้คือถ้าพุทโธหายถ้าพุทโธหายไปเราก็กลับมาอยู่ที่พุทโธเหมือนเดิมกลาพุทโธไปเรื่อยๆอย่าหยุดพุทโธครับครับจนกว่าเ จ, จะว่างจะนิ่งจะเย็นจะสงบครับมันก็ไม่ต้องทําอะไรเราต้องการความนิ่งความสงบความสุขแล้วหลังจากนั้นเวลาออกจากปัญญาเอามาจากสมาธิถ้าเราจะรู้อะไรก็ใช้ปัญญาวิเคราะห์ คุณนพันีถามเข้ามาว่าเรามอบร่างกายให้โรงพยาบาลก่อนเสียชีวิตเราได้บุญไหมคะถ้าได้ตอนให้ตอนที่ยังไม่ตายก็ได้สิแต่ถ้าให้ตอนที่เราตายแล้วมันไม่ได้มันเขียนใบเจตนานี้ไม่ได้เป็นการให้เพียงแต่บอกเจตนาแต่เรายังเอา ร่างกายนี้ไปทํานู่นทํานี่อยู่ไม่ได้ส่งให้โรงพยาบาลมันไม่เหมือนกับบริจาคเลือดอันนี้ให้จริงๆให้โรงพยาบาลเจาะเอาไปเลยเข็มเนี่ยเจาะเข้าไปเนี่ยได้ให้จริงๆแต่เรื่องให้ตับให้ไตให้ร่างกายนี่ต้องรอให้ฉันตายก่อนค่อยเอาไปอันนี้แสดงว่าไม่ได้ให้ให้ตอนนั้นก็ไม่ได้บุญเพราะไม่รู้ว่าให้หรือเปล่าตอนที่เราตายไปแล้วเพราะว่าเราไม่รู้สึกตัวใช่ไหมจอยไม่มีความสุขใจเกิดขึ้นค่ะ ุคือจ้ามค่ะ จ, จากเกขอ ง, ของอุ๊กเห้าค่ะกราบสอบถามค่ะเวลานั่งสมาธิจะสอบจะชอบหลับแต่หลังจากสัปงกแล้วรู้ตัวก็กลับมามีสมาธิมากขึ้นแบบนี้ถือว่าดีหรือเปล่าคะก็ไม่ดีไม่ควรสรงกเลยควรจะนั่งแบบให้มีความรู้สึกตื่นตัวตลอดเวลา วิธีหนึ่งก็เกลือให้กินข้าวน้อยหน่อยก็ให้ถือศีลแปดกันพวกที่จะภาวนานั่งสมาธิจะช่วยได้เยอะเลยวิธีหนึ่งก็ไปนั่งที่หน้าหน้ากลัวไปนั่งตามป่าชา้านั่งตามเมนความใจดีกับความเมตตาแตกต่างอย่างไรเจ้าค่ะเอาไปเปิดพัฒนานุกรมดูเราไม่จะเป็นชานาทางภาษา เจ้าค่ะคุณทีคาธนาคำถามชีวิตยอยู่ในวิหารธรรมมีพุโทโธติดใจทุกๆวันปฏิบัติทุกวันแต่บางวันยังมีความเบื่อแต่ก็สักแต่รู้แบบนี้แสดงว่าอุเบกหายังไม่มากพอใช่ไหมเจ้าค่ะเพราะทำได้มากบ้างน้อยบ้างอย่างน้อยสิบห้านาทีต่อวันน่าจะสมาธิลึกไม่พอดั่งพระอาจารย์เคยบอกไว้เจ้าค่ะ น้มกลับในความเมตตาอย่างสูงค่ะได้สิบห้านาทีเหมือนน้ำหยดน้าหยดหนึ่ง <c oughs> วันหนึ่งมีต้องไม่รู้กี่กินกี่ร้อยนาทียี่สี่ชั่วโมงคนลน้อยหกสิบเนี่ยคนจะมีสติอยู่ตลอดวันก <c oughs> ันจะได้ผลดีพุโทโธเนี่ยอยู่ในใจนึกไปเรื่อยๆใจก็จะเย็นใจก็จะสบายขึ้นมา <c oughs> จากเฟซบุ๊กกราบนวัชการค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเคยนั่งสมาธิแล้วสงบถึงกับจิตว่างเปล่าและรู้สึกตัวตนหายไปโปร่งใสทำได้บ่อยๆแต่ปัจจุบันทำไม่ได้รู้สึกไม่สงบจะทำยังไงต่อคะก็ต้องฝึกสติใหม่เหตุที่ทำให้ใจสงบใจว่างก็คือการมีสติต่อเนื่องพอมีสติต่อเนื่องก็จะหยุดใจให้นี้งให้สงบให้ว่างให้เย็นได้ ทางยังไม่ว่างไม่เย็นก็แสดงว่าสติไม่มีกําลังเหมือนรถยนต์นะแต่มรถยนต์เติน้ํามันเข้าไปในถัง ม, มันก็วิ่งไปได้พอน้ํามันหมดมันก็จอดถ้าอยากจะให้มันวิ่งต่อก็ต้องไปเอาน้ํามันมาเติมใหม่สติเป็นเหมือนน้ํามันของใจยังไม่มีคําถามเขามาเจ้าค่ะมีไหมกคยอยากจะถามอะไรมีเจอได้นะเพราะกล้จะหมดเวลาแนละ้ว <c oughs> ถ้าไม่มีก้าวแค่นี้ก่อนสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านจงนำว่าสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้วาวหน้าในธรรม ย, ยิ่งขึ้นไปเาิุ